มาตลีเทพสารถีทูลพยากรปัญหาแด่พระเจ้าเนมิราชอย่างนี้แล้วพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นเวตระหนีนรกแล้วก็ทําประเทศนั้นให้อันตรธานไปแล้วขับรถไปข้างหน้าแสดงที่เป็นที่สัตว์มีสุนัขเป็นต้นเคี้ยวกินอันพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสถานที่นั้นแล้วก็ทรงกลัวตรัสถามปัญหาได้ทูลพยากรแล้ว พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นตรัสว่าพระราชาตรัสว่าสุนักแดงสุนักด่างฝูงแรงฝูงกาหน้ากลัวเคี้ยวกินสัตว์นรกความกลัวปรากฏแก่เราเพราะเห็นสัตว์เหล่านั้นเคี้ยกินสัตว์นรกเราขอถามท่านสัตว์เหล่านี้ที่ฝูงกาเคี้ยกินได้ทำบาปอะไรไว้ มาตรีเทพสารถีอันพระเจ้าเนมิราชตรัสถามแล้วได้ทูลพยากรณ์วิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปตามที่ได้ทราบแด่พระเจ้าเนมิราชผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้ตรณีเหนียวแน่นมีบาปธรรมมักบริพาดเบียดเบียนดากระทบสมณพราหมณ์สัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้ากระทำบาปจึงถูกฝูงกาเคี้ยวกิน ปัญหาอื่นจากนี้และการพยากรณ์ก็มีในนี้แหลบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าแดงสามาได้แก่มีสีแดงคําว่าสุนักโซนาได้แก่สุนักคําว่าด่างสวาวลาได้แก่มีสีด่างและมีสีขาวดาเหลืองท่านแสดงสุนักไว้ห้าสีอย่างนี้ ได้ยินว่าสุนักเหล่านั้นตัวโตวเท่าช้างไล่ติดตามสัตว์นรกที่แผ่นดินเหล็กอันลุกโลงดุดไล่เนื้อกัดเนื้อเป็นชิ้นแล้วยังสรีระสามคาวุฒแห่งสัตว์นรกให้ล้มลงบนแผ่นดินเหล็กอันลุกโลงเอาขาทั้งสองเหยียบอกของสัตว์นรกผู้ร้องลั่นอยู่ถึงเนื้อกินให้เหลือแต่เยื่อในกระดูกแห่งสัตว์ผู้มีบาปธรรมคําว่าฟูงแรง้งคิดชา ได้แก่ฝูงแร้งมีจงอยปากเป็นโลหะตัวใหญ่เท่าเกวียนสินค้าแร้งเหล่านั้นทำลายกระดูกด้วยจงอยปากเช่นกับปลายทวนเคี้ยกินเยื่อในกระดูกคำว่าฝูงกาโกกาลุสังคารได้แก่ฝูงกามีงอยปากเป็นโลหะน่ากลัวยิ่งเคี้ยกินสัตว์นรกที่มันเห็นแล้วเห็นแล้วคำว่าสัตว์เหล่านี้เยเมชะเน ความว่าถามว่าสัตว์นรกเหล่านี้ที่ถูกฝูงกาเคี้ยวกินได้ทำบาปกรรมอะไรไว้คำ ว, ว่าผู้ตรณีมัชชริโนได้แก่ผู้ไม่ให้อะไรแก่ผู้อื่นชื่อว่าตรณีคำ ว, ว่าเหนียวแน่นกัทริยาได้แก่กระด้างและตรณีห้ามผู้อื่นแม้กำลังบริจาคทานคำ ว, ว่าสมณพราม สมณะพระหมานานังได้แก่ผู้ระงับบาปลอยบาปแล้วแต่นั้นมาตลีเทพสรถีย่างประเทศนั้นให้อันตรธานขับรถไปข้างหน้าสัตว์นรกทั้งหลายเหยียบแผ่นดินเหล็กก้าวโยดลุกโชช่วงนายนิรยาบาลติดตามไปประหารแข้งด้วยท่อนเหล็กอันลุกโผลงประมาณเท่าลำตาลล้มลงโบยด้วยท่อนเหล็กนั้นให้เรียรายเป็นจุนวิจุน พระราชาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นทรงสะดุ้งกลัวเมื่อจะตรัสถา ม, มาตลีเทพสารถีจึงตรัสคาถาว่าสัตว์นรกเหล่านี้มีร่างกายลุกโพรงเดินเหยียบแผ่นดินเหล็กและนายนิรยาบาลโบยด้วยท่อนเหล็กแดงความกลัวปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปของสัตว์นรกเหล่านั้นแนมาตลีเทพสารถีเราขอถามท่าน สัตว์นรกเหล่านี้ทําบาปอะไรไว้จึงถูกเบียดเบียนด้วยท่อนเหล็กนอนอยู่มาตาลีเทพสารถีทุนพยากรพระดํารัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทําบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นผู้มีบาปธรรมเบียดเบียนจากกระทบชายหญิงผู้ไม่มีบาปธรรม สัตว์เหล่านั้นมีกรหยาบช้ากระทำบาปกรรมแล้วจึงถูกเบียดเบียนด้วยท่อนเหล็กนอนอยู่บรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีร่างกายลุกโครงสัญโชติภูตาได้แก่มีสริระลุกโครงคำว่าแผ่นดินปะะวิงความว่าก้าวคือเหยียบแผ่นดินเหล็กก้าวโยดที่ลุกโผล คำว่าโบยด้วยท่อนเหล็กแดงขันเทหิจะโปถยันติความว่าเราสัตว์นรกมีร่างกายลุกโรงถูกนายนิรยาบาลติดตามประหารที่แข้งทั้งสองด้วยท่อนเหล็กลุกโลงเท่าลาตาลให้ล้มแล้วล้อมโบยด้วยท่อนเหล็กเหล่านั้นแหละให้เรียรายเป็นจุนวิจุนเหมือนต้อนตีโคไม่เข้าคอกฉะนั้นคำว่าเป็นผู้มีบาป ร, รม สุ ป, ปาปะธรรมิโนได้แก่เป็นผู้มีธรรมอลามกด้วยดีสำหรับตนคำว่าผู้ไม่มีบาปธรรมอ ป, ปาปะธรรมังได้แก่สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลและอาจาระเป็นต้นหรือปราศจากความผิดมาตลีเทพสารถีขับรถไปข้างหน้านายนิรยาบาลทั้งหลายทิ่มแทงสัตว์นรกด้วยอาวุธอันลุกโผลง สัตว์นรกเหล่านั้นก็ตกลงในหลุมฐานเพลิงเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นจมอยู่ในหลุมฐานเพลิงเพียงเอวนายนิรยาบาลก็เอากระเช้าเหล็กใหญ่ตักฐานเพลิงโปรยลงบนศีรษะสัตว์นรกเหล่านั้นสัตว์นรกเหล่านั้นไม่อาจรับฐานเพลิงก็ร้องไห้มีกายไฟไหม้ทั่วดิ้นรนอยู่พระเจ้าเนมิราชทอาพระเนรเห็นดังนั้นจึงตรัสคาถาว่า สัตว์เหล่าอื่นร้องไห้มีกายไฟไหม้ทั่วดิ้นรนในหลุมถ่านเพลิงความกลัวปรากฏแก่เราเพราะเห็นกิริยานี้แน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงมาร้องไห้ดิ้นรนอยู่ในหลุมถ่านเพลิงนี้มาตาลีเทพสารถีอันพระเจ้าเนมิราชตรัสถามแล้ว ได้ทุนพยากรวิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทาบาปตามที่ได้ทราบแต่พระเจ้าเนมิราชผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่านี้สร้างพยานโกงลบหนี้เพราะเหตุแห่งทรัพย์ของประชุมชนครั้นทำทรัพย์ของหมู่ชนให้สิ้นไปแล้วมีกหยาบช้าทำความชั่วจึงมาร้องไห้ดิ้นรนอยู่ในหลุมฐ่านเพลิงพระเจ้าข้า บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าหลุมฐานเพลิงอังคารกาสุงความว่าแน่สหายมาตลีชไหนสัตว์บางพวกนี้จึงถูกนายนิรยาบาลล้อมท่มแทงด้วยอาวุธอันลุกโผลงเหมือนต้อนโคที่ไม่เข้าคอกตกลงในหลุมฐานเพลิง และนายนิรยาบาลทั้งหลายถือเอากระเช้าเหล็กใหญ่โปรยฐานเพลิงลงบนสัตว์เหล่านั้นที่จมอยู่ในหลุมฐานเพลิงแค่เอวคราวนั้นเหล่าสัตว์ไม่อาจรับฐานเพลิงทั้งหลายได้จึงร้องไห้มีกายไฟไหม้ทั่วคร่ำครวนดิ้นรนอยู่อธิบายว่าโปรยคือโรยฐานเพลิงบนศีรษะของตนด้วยกําลังแห่งกรรมบ้างด้วยตนเองบ้างคําว่า เพราะแห่งทรัพย์ของประชุมชนปูคายะทนสัจความว่าเหตุแห่งทรัพย์ซึ่งเป็นของประชุมชนที่ตนบีบบังคับเรียรายเมื่อมีโอกาสว่าพวกเราจะถวายทานบ้างจากทําการบูชาบ้างจากสร้างวิหารบ้างคําว่าลบหนี้ชาปยันติความว่าใช้จ่ายทรัพย์นั้นตามชอบใจ ติดสินบนพวกหัวคณะสร้างพยานโกงว่าพวกเราทำการขวนขวายในที่โน้นไปเท่านี้ให้ในที่โน้นไปเท่านี้ทำทรัพย์นั้นให้เสื่อมคือให้พินาศไป